50 languages. คำวิเศษกริยาวิเศษเคยยังไม่เคยคุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง คุสิเพวीบลิไม่ยังไม่เคยเลยค่ะไจะตักไมใครไม่มีใครคซนูซนูคุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะคิดุสิอทธซนูจาเดโไม่ ดิฉันไม่รู้จักใครที่นี่ค่ะ नहीं ช่แม้แต่ใครก็ไม่รู้จักไม่ใช่แม้แต่ใครก็ไม่รู้จักดีอีกนิดอีกไม่นานโหดโหดไม่ใคุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหม कि ดถึงซี่อัธถลกุจโหดรถเไม่ ดิฉันอยู่ที่นี่อีกไม่นานค่ะเนฮีแ ม, ม้อิทธิ์จะบ๊วสมไม่ทแยรงาอะไรอีกไม่อีกแล้วฮอร์กุจฮอร์ u ุจไม่คุ ณ, อ, คณอยากดื่มอะไรอีกไหมคิดถิ่งกุจฮอร์พินาช่วยหนเดือไม่ดิฉันไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วค่ะ नहीं แม่หรืุณไी่ต้องดื่มไว์แม่หรือคุณไม่ต้องด่มไนร่บ้างแล้วยังไม่เลยเพลินาตัวนี้คุณไม่ต้องดคุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหมคุณตัน้ลาตัวนี้คุณไม่ต้่ไวมดิฉันยังไม่ทานอะไรมาเลยค่ะ ไม่แมะกก็ขามีใครอีกไม่มีใครอีกแล้วหรือยรหรือยคไม่มีมีใครอยากรับกาแฟอีกไหมที่หรือใคราฟิปีนาชอนดะไหมไม่ไม่มีใครอีกแล้วค่ะไม่คุ न ह ी่